ก็เริ่มต้นด้วยความผ่อนคลายสบายบายมีความอ่อนโยนอ่อนโยนต่อตนเอง ด้วยการวางของหนักวางของร้อนลงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรวนเป็นของหนักเมื่อหลงยึดมั่นถือมั่นย่อมพบกับความเจ็บปวด ทุกทรมานอยู่ร่ำไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟแห่งราคาร้อนเพราะไฟแห่งโทรศั์ ร้อนเพราะไฟแห่งโมหะที่แผดเผาจิตใจวางลงเสียจากของหนักของร้อนทั้งปวงจิตใจของท่านทั้งหลายก็จะคลี่คลาย จากความเล่าร้อนต่างๆมีความเบาสบายปลอดป่งร้องใจ อ, อนโยนต่อตนเอง อานโยนต่อผู้อื่นทุกคนเกิดมาก็ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกที่อยากจะพบกับความเจ็บปวด ทุกทรมานอยู่ลำไปวางลงเสียจากการประหัดประหารทั้งปวงวางลงเสียจากศาสตาวุธทั้งปวง วางลงเสียจากความอาฆาตความพยาบาททั้งปวงวางลงเสียจากการเบียดเบียนทั้งปวง วางลงเสียจากเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วทั้งปวงวางลงเสียจากความมีความเป็นทั้งปวง วางลงเสียจากสิ่งสมมุติมายาทั้งปวงวางทุกอย่างลงปดปงลงวาง ว่างสบายอยู่กับปัจจุบั น, นธรรมให้ต่อเนื่องกันไปเรียนรู้ยอมรับทุกสภาสิ่ง ก็เป็นเช่นนั้นเองนอนสบายสบายรู้ทำเฉพาะนะ้า ปรับร่างกายให้สบายปรับจิตใจให้สบายพันแครายทุกสาสวน ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆวางความคิดกังวลของจิตใจอยู่กับตัวเอง รู้สึกตัวอยู่ท่านสาทุชนทั้งหลายทำทั้งปวงใครใครไม่ควรยึดมั่นทถิมันจงใครอออหลุด ออกจากความทุกข์จากพันธนาการทั้งปวงสัมผัสรับรู้ส่วนต่างๆของร่างกาย สที่สัมผัสหมอนก็รู้แผ่นหลังที่สัมผัสพื้นก็รู้แขนที่สัมผัสพื้นก็รู้ าที่สัมผัสพื้นก็รู้รู้สึกถึงการหายใจการกระเพื่อมหน้าอกหน้าท้อง รับรู้ความรู้สึกของกายที่นอนอยู่ผ่อนคลายทั้งตัวสบายสบายรู้กว้างกว้างสบายสบาย รู้สึกถึงกายที่นอนอยู่หัวตัวแขนขารู้สึกได้ทั้งตัว รู้สึกทั้งตัวไปเรื่อยๆสบายๆ เข้าสู่านของเวทนารู้สึกตัวไปเรื่อยๆสบายๆรู้สึกตัว ผัวพร้อมอยู่ห่อนครายสบายสบายจงใครออกรุดออกจากสิ่งต่าง รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ แช่อยู่กับความรู้สึกทั้งตัวไปเรื่อยๆสบายๆจนเกิดความแผนสซ่านทั่วทั้งตัว แช่อยู่กับความแผ่ซ่านไปเรื่อยๆสบายๆทราบซานเอิบอาทั่วทั้งตัว รู้สึกเพนสาบายอยู่ มีความพ่องใสอยู่ภายในทำอันเอกปรากฏขึ้นเบาสบายรู้สึกเบา สบายอยู่เบาสบายทั่วทั้งตัวแช่อยู่กับความเบาสบายไป เลยเลยสบายบาย กายเบาจิตเบาปอดโบาร้งใจสัมผัสความสุขที่ป่านี้ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อย พ่อนคลายสบายจงใครออกหลุดออกจากสิ่งต่างๆโลบเบาสบายอยู่ กูเสกส ง, งบส ง, งัดอยู่เฉยทั่วทั้งตัวอยู่กับความเฉยไปเรื่อยสบาย n you? c h you? n e e you, r o w you. คนใครสบายสบายจงคลออกหลุดออกจากคล่งต่างๆนิ่งอยู่รู้อยู่ เมื่อดำลงอยู่ในวิปัสนาญาณทำทัท้งหลายก็จะปรากฏตามความเป็นจริงเกิดการ รู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่กับความเบิกบานไปเรื่อยอยสบา ย, ส, บายสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงร้วนดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เป็นเราไม่มีอะไรเป็นของเรา เป็นเพียงของชั่วขาวเป็นสมมุติมายาของโลกเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วล้วนสลายตัวไปเป็นธรรมดากายเป็นความว่างป่าหาสาระ ป็นสารที่แท้จริงอะไรไมีได้เลยมีก็เหมือนไม่มีมีแล้วก็สลายตัวไปทุกสรรพสิ่งก็เป็นเช่นนั้นเอง แค่รู้แค่รูส้สิสัตว์ว่ารู้สักตวว่ารูส้สิไม่ติดข้องอยู่ไม่ยึดถืออะไรอะไรทั้งปวงในโลกด้วย คอยทุกยางสลัดคืนสู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติว่างอยู่รู้อยู่ ไม่กเกี่ยวกับสิ่งใดอยู่กับความบริสุทธิ์ของธรรมชาตไปเรื่อยๆสบายสบา ธรรมะเยียวยาทุกสิ่ง เห็นทั้งสองฝั่งเข้าสู่โมดสำหรับการหลับพักพรก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ เพราะความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเธอ